ขณะเดียวกันพระเจ้าจักรพรรดิก็จะถามปฏิสันฐานกับกษัตริย์เหล่านั้นว่าพ่อเอ้ยอย่างไรเรียกว่าบำเพ็ญราชธรรมอย่างไรเรียกว่ารักษาประเพณีกษัตริย์ไอคําว่าอย่างไรชื่อว่าบำเพ็ญราชธรรมก็คือว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติในอราชธรรมคือสังฆาวัตถุอยู่หรือท่านยังให้ทานยัง ป, ปิยะวาจาอัาเจริยา สมานตะตาอยู่หรือท่านยังรักษาประเพณีแบบแผนกษัตริย์ผู้อยู่ในทศพิตราชธรรมเป็นต้นอยู่หรือก็จะสอบถามกษัตริย์เหล่านั้นนั้นกษัตริย์เหล่าใดที่ปกครองแผ่นดินโดยราชธรรมเป็นต้นกษัตริย์เหล่านั้นก็จะพอใจมีความสุขที่พระเจ้าจักรพรรดิต้อนรับปฏิสันถานเช่นนั้นหรือแม้แต่พวกพราหมณ์ทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิก็ปฏิสันถานว่าท่านอาจารย์เป็นอย่างไรชื่อว่าสอนมน เหล่าสิทธ์ก็เรียนมนท่านจงทำทักษิณาผ้าหรือโคเแด ง, งน่ยนะหรือแม้กระทั่งพระเจ้าจากักรพรรดิปฏิสันถารกับพวกครือาบดีเศรษฐีทั้งหลายว่าพ่อเอ๋ยพวกท่านไม่ถูกเบียดเบียน ด, ด้วยราชาอาทยาบ้างหรือพวกผ้กาษีอากรจากพระราชาบ้างหรือท่านถูกเบียดเบียนเรื่องภาษีอากรนไหมมีกฎหมายอะไรที่ไปกดขี่คมเหมให้พวกท่านอยู่ด้วยความทุกข์ยากลําบากไหมเป็นไงฝนตกต้องตามฤดูกาลไหมเข้าปเปล่าเข้า ข้าวกล้าทำยาหารสมบูรณ์อยู่ไหมแล้วก็มีการสอบถามกับพวกเครือข่อาบดีผู้ที่ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีพอยู่หรือสอบถามปฏิสันถานกับสมณพราหมณ์ท่านเจ้าค่ะบริคารตัใ จ, จัสี่สำหรับบรนประชิดหาได้ไหมขอพวกท่านจะได้ประมาทในการบําเพ็ญสมณธรรมในการเจริญศีขานะคือพระเจ้าจากักรพรรดินี่เป็นผู้ที่เก่งต้อนรับปฏิสันถานได้แม้กระทั่งในกลุ่มกษัต ร, ริย์กลุ่มพราหมณ์ กลมใครอีกคืหบดีตลอดจนถึงสมณะพรามทั้งหลา ย, อ, ยาอันนี้ก็เป็นความสามารถของพระอนนทนั้นเยี่ยงกับพระเจ้าจากกักรพรรดิการยกย่องพระอนนท์นี่ถือว่าเรียกว่าในเวลาสมัยเวลาสุดท้ายของชีวิตพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่นชมยกย่องพระอน น, นก็แสดงว่าพระอนนนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมาก ในในหน้ า, า314ข้อ137พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพ่านรนก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าอยาเสด็จไปนิพพานในเมืองเล็กเมืองดอนกิ่งเมืองนี้เลยเนี่ยนะแมายถือว่าเมืองเล็กมากในสมัยนั้นนะสมัยพุทธกาลในกุสินาราถือว่าเมืองเล็กมาก เมืองใหญ่เหล่าอื่นที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมืองจำปาราชครึกสาวถีสากเกตโกสัมพีหรือเมืองพารณสีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานในเมืองเหล่านี้เถิดพวกกษัตริย์มหาสารบ ร, รมมหาสารครืหบดีมหาสา ร, ร, าสารที่เลื่อมใสในพระตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านี้ท่านเหล่านั้นจักกระทาการสักการะบูชาสริระของพระตถาคตเนี่ยนะ คือพระองค์น่าจะไปปรินิพานที่เมืองใหญ่ๆอย่งนั้นเนี่ยเขาจะได้บูชาสักการะพระองค์ได้อย่างทั่วถึงได้อย่างเยอะมาปรินิพานในเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองเล็กเมืองโดนกิ่งเมืองอ่ะนะก็เหมือนกับกิ่งอำเภอเนี่ยเป็นอำเภอเหมือนกับว่าเก่าแก่ละแต่ว่ามันเล็กนิดเดียวอย่างเงีพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนุนเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าเมืองเล็กเมืองโดนกิ่งเมืองนี่เลย แต่ปางก่อนมีพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาสุทัศนะนั้นเป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระธรรมราชาเป็นพระราชาโดยทำเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพระะงั้นมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแลว้วมีพระราชอาณาจักรอันมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการเมืองกุศินารานี้มีนามว่ากุสาวดนนีเมืองกุสาวดีนี้เป็นราชธานีของพระเจ้า มหาสุทัศนะเมืองกุสาวดีนั้นโดยยาวด้านทิศ ต, ตะวันออกและทิศตะจินเนี่ยนะกำแพงเมืองเนี่ยข้างในเมืองเนี่ยยาวสิบสองโยชน์ถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากยาวสิบสองโยชน์สิบสองโยชน์ก็เป็นร้อยกิโลแหละโดยกว้างด้านทิศอุดรและทิศทักษิณเนี่ยเรายาวไปเหนือไปใต้อีกเจ็ดโยชน์ก็แปลว่ายาวสิบสองโยชน์กว้างเจ็ดโยชน์ กุสาวดีเป็นราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมากมีชนเป็นอันมากมีมนุษย์หนาแ น, น่นและมีพิกษาหาได้ง่ายดูก่อนอนนอลอาลมกากะมันท า, า, า, าราชธานีแห่งเทพพยะเจ้าทั้งหลายเป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากยักษ์หนาแ น, น่นและมีพิกษาหาได้ง่ายแม้ฉันใดกุสาวดีราชธานีก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองมีชนมากมนุษย์หนาแน่นและมีพลิกสาหาได้ง่ายกุสาวดีราชธานีม่ได้เงียบจากเสียงทั้งสิทธ์ในเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเสียงช้างเนี่ยมีให้ได้ยินทั้งวันทั้งคืนเสียงมาเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงปรกโฮและเสียงเป็นที่สิธว่าเชิญท่านทั้งหลายจงบริโภคจงดื่มจงเคี่ยวกินจงไปกันเถื่อน่ะ อันนี้เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าบอกถึงเมืองอกุสาวดีราชธานีซึ่งเป็นอดีตเมืองกุสินาราเนี่ยนะท่านบอกว่าเมืองกุสาวดีราชธานีเนี่ยนะนาจะเอาเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเมืองมหาสุทัศนสูตรมาเล่าให้ฟังโดยเล็ ก, เ ล, กเล็กน้อยน้อยเนี่ยนะบอกว่า ในหน้า473เนี่ยให้ฟังคร่าวๆดูนะว่าสมัยหนึ่งอันเป็นสมัยแห่งการตรินิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ป่าสาระตรงที่แวะพักผ่อนของพวกเจ้ามาละระหว่างคู่สาระใกล้กรุกรงกุศินาราครั้งนั้นท่านพระนลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งนั่ที่กวนส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระหนุนก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้ปริณิพานในเมืองเล็กเมืองโดนกิ่งนครแห่งนี้เลยพระเจ้าค่านครใหญ่อื่นเช่นนครจำปาราชครศสาวธีสาเกตโกสัมพีพารณสีก็ยังมีอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเสด็จปริณิพานในเมืองเหล่านั้นเถิดในเมืองเหล่านั้นกษัต ร, าา ร, ร, าาริย์มหาศาลพรามหาศาลเครือบดีมหาศาล จำนวนมากเลื่อมใสในพระตถาคตเจ้าพวกท่านเหล่านั้นจับทำการบูชาพระสรีระของพระตถาคตเจ้านี่มตนเธออ น, อนอานนท์เธอจะได้กล่าวอย่างนี้ว่ากุสินาราเป็นเมืองเล็กเมืองดดนเป็นกิ่งนครเลยอานอนท์เรื่องเคยมีมาแล้วพระราชาพระนามว่ามหาสุทัศน์เป็นกษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษมีอาณาเขตปกครองจด สี่มหาสมุทรเป็นผู้พิชิตทรงปกครองบ้านเมืองอย่างมั่นคงอโนนเมืองกุศีนาราเนี่ยนะเป็นราชธานีชื่อว่ากุสาวดีของพระเจ้ามหาสุทัศนะเป็นเมืองที่ยาวไปในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกสิบสองโยธส่วนกว้างด้านทิศเหนือและทิศใต้เจ็ดโยธดูก่อนอโนนกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีคนมากเลื่อนกล ไปด้วยผู้คนและอาหารก็หาได้ง่ายอานนทราชธานีชื่อว่าอัละมะกะมันทาของพวกเทวดาเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีชนมากเกลื่อนกลนไปด้วยหมูยักษ์และหาอาหารได้ง่ายฉันใดาอานนท์กุสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีคนมากมีคนพลุกพล่านอาหารก็หาได้ง่ายฉันนั้นและอานนต์กุสาวดีราชธานี เป็นราชธานีที่ไม่เงียบจากเสียงสิทธิ์อย่างทั้งกลางวันและกลางคืนคือเสียงช้างเสียงมาเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพิ้นเสียงขับร้องเสียงต่งสดานเสียงประโคมและเสียงเรียกกันว่าจงกินจงดื่มจงเขี้ยวเป็นที่สิทอันนนกุสาวดีราชธานีมีกำแพงล้อมรอบเจ็ดชั้นกำแพงที่หนึ่งสร้างด้วยทองคํากำแพงหนึ่งสร้างด้วยเงินอีกกำแพงหนึ่งก็สร้างด้วยแก้วไผ่ทูลอีกแก้วหนึ่งก็สร้างด้วยกำแพงแก้วพลึก อีกกำแพงหนึ่งก็สร้างด้วยแก้วทับทิมอีกกำแพงหนึ่งก็สร้างด้วยบุตรศร akah อีกกำแพงหนึ่งก็สร้างด้วยแก้วทุกอย่างรวมกันโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเมืองแก้วเราเมืองยิ่งใหญ่มากเลยนะร่ำรวยมากเลยอานตกูสาวสดีราชธานีมีประตูอยู่สี่ชนิดคือประตูทองคําประตูเงินประตูแก้วไพลทูลและประตูแก้วผลึกในแต่ละประตูเนี่ยปักเสาระเนียรไว้เจ็ดต้นแต่ละต้นปักลึกสามชั่วคน เหนือพื้นดินขึ้นมาก็สูง12ชั่วคนโอ้โห12ชั่วคนนี่ก็ 3-40 เมตรนั่นแหละลึกลงไปในดินอีกก็ตั้ง3ชั่วคนก็อย่างน้อยก็12เมตรเนี่ยนะปักลึกมากเสาทองต้นหนึ่งเสาเงินต้นหนึ่งเสาแก้วไผยทูนต้นหนึ่งเสาแก้วผลึกต้นหนึ่งเสาแก้วทับทิม ต้นหนึ่งเสาบุตราค a k เป็นต้นหนึ่งและก็เสาที่เอาแก้วทุกอย่างมารวมกันอีกหนึ่งต้นอานอนท์กุสาวดีราชธานีมีแถวตาลล้อมเจ็ดแถวแถวตาลทองตาลเงินตาลไพฑูรต์ตาลแก้วผลแก้วทับทิมบุตราค a k และก็แก้วรวมเหมือนนแถวตาลทองลำต้นมีต้นเนี่ยไปด้วยทองผลและใบนี่มีผลมีใบเป็นเงินส่วนต้นตาลที่มีลำต้นเป็นเงินเนี่ยนะใบและผลออกมาเป็นทอง ส่นแก้วไพลทูลลำต้นเป็นแก้วไพลทูลมีใบและผลเป็นแก้วพลึกทานแก้วพลึกมีต้นเป็นแก้วพลึกมีใบและผลเป็นแก้วไพลทูลเนี่ยนะโอเป็นเมืองที่ประดับประดา ต, ตกแต่งจริงๆเป็นเมืองที่ร่ํารวยแล้วก็มั่งคั่งเป็นเมืองของมหาเศรษฐีจริงๆนะพระราชาสมแล้วก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันอะัมรวยมากนะทั้งแต่ละอย่างเนี่ย อนนนตาลเหล่านั้นเนี่ยถูกลมพัดก็มีเสียงไพเราะยวนใจชวนให้ฟังน่าเคลิบเคลิ้มอ่ะนะเสียงดังเพราะมากอันนเสียงแห่งดนตรีที่ประกอบด้วยองค์ห้า ที่นักดนตรีผู้ฉลาดปรดักดีแล้วประโคมดีแล้วบรรเลงดีแล้วย่อมเป็นเสียงที่ไพเราะยวนใจชวนให้ฟังและให้เคลือบเคลิมแม้ฉันใดอ น, อนุนเสียงแถวตาลเหล่านั้นที่ถูกลมพัดก็เป็นเสียงเพราะโยนใจชวนให้ฟังและให้เคลอบเคลิมฉันนั้นนั่นแหละ อ, อนุโดยสมัยนั้นพวกนักเลงพวกนักเล่นพวกนักดื่มแห่งกุสาวแห่งกรุงกุสาวดี ก็คลอเสียงประสานกับเสียงแถวตามที่ถูกลมพัดเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปจ้างนักดนตรีที่ไหนนักนั่ ง, งคลอเสียงเพลงพร่หมณ์ในตรงนั้นแหละสบายใจมากอานอน์พระเจ้ามหาสุทัศน์มีแก้วเจ็ดอย่างแล้วก็สําเร็จด้วยฤทธิ์สี่อย่างแก้วเจ็ดอย่างก็คือมีจักรแก้วอันเป็นทิพย์เนี่ยนะมีจักรแก้วอันเป็นทิพย์แล้วก็ยังมีช้างแก้วอันเปช้างแก้วมีม้าแก้วมีแก้วมณีที่เป็นแก้วไพลทูล มีนางแก้วเนี่ยนะมีนางแก้วมีเครือบดีแก้วมีปรินายกแก้วนะเรียกว่าแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าสุทัศนะผู้เป็นจักรพรรดิและพระองค์มีฤทธิ์อีกสี่ประการเรธพิเศษก็คือพระองค์มีรูปงามสองพระองค์มีพระชนมายุยืนสามพระองค์มีพระโรคขาภาดน้อยสี่พระองค์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และครือบดีทั้งหลายเนี่ยนะเพราะน พระเจ้าสุทัศน์นั้นก็คิดว่าจะสร้างสระโบกกรณีที่ห่างกันชั่วระยะร้อยชั่วธนูในระหว่างต้นตานเสร็จแล้วก็สร้างสระโบกกรณีที่วิจิตพิสดารมากครั้งหนึ่งพวกพราหมขึ้นหาบดีก็ขนทรัพย์มาถวายพระเจ้าสุทัศน์พระเจ้าสุทัศนะก็ไม่รับเขาก็เลยช่วนกันสร้างพระราชวังถวายพระเจ้าสุทัศนะ์ท้าวสกกะจอมเทพก็ดำริว่า ก็เรียกเทพวิษณุกรรมเทพบุะบุมาสั่งว่าจงไปสร้างพระราชวังชื่อว่าปราศาสแ ด, ดถวายพระเจ้ามหาสุทัศนะเนี่ยนะก็มีการสร้างพระราชวังที่เรียกว่าเป็นวังที่ใหญ่มากวังใหญ่ขนาดไหนก็บอกว่ายาวหนึ่งโยศกว้างครึ่งโยศ น, นะเมืองนี่ยาวสิบกิโลเมตรกว้าง8ดกิโลเมตรเนี่ยปราสาสนั่นไม่ใช่เมืองสร้างเรียกวังวังหนึ่งก็ใหญ่กว่าเมืองขอเขมรเยอะนะใหญ่กว่านาครวัดนาครธมเยอะเนี่ยนะ วัสดุที่ก่อสร้างธรรมะปราสาทสูงเรียกว่าใช้อิฐสี่ชนิดอิฐเงินอิฐทองแล้วก็อิฐแก้วไพลทูลอิฐแก้วผลึกมีเสาแปดหมื่นสี่พันต้นะนะธรรมะปราสาทเนี่ยปู ด, ด้วยกระดานสีน่กระดา น, นกระดานทองกระดานเงินกระดานแก้วไพลทูลกระดานแก้วผลึกมียี่สิบสี่บันไดมีบันไดยี่สิบสี่บันไดแบ่งเป็นสี่ชนิดบันไดทองบันไดเงินบันไดแก้วไพลทูลบันไดทองเป็นแม่ ลูกก็สําเร็จด้วยทองเนี่ยนะทุกอย่างสําเร็จด้วยทองไปหมดส่วนลูกบันไดและพนักเนี่ยทำด้วยเงินก็รายละเอียดเยอะมากแล้วก็ในธรรมะปราศาสตรมีเรือนยอดอยู่แปดหมื่นสี่พันยอดนะแต่ละยอดก็เป็นยอดทองยอดเงินเป็นต้นเนี่ยนะอนนนท์พระเจ้าสุทัศนะมีความนําเรี่ยว่าเราพึงให้สร้างป่าตาลที่แล้วไปด้วยทองทั้งหมดใกล้ประตูเรือนยอดเรือนหลังที่เป็นที่พักในกะตอนกลางวันเสร็จแล้วก็สร้างนะ เรีว่าสร้างต้นตานไอธรรมะปราศาสตร์เนี่ยเป็นเมืองที่แพ่งดูไม่ได้เพราะทําให้ตาพร่าทองคําขนาดนั้นมันจะตาพร่าขนาดไห น, นถ้ากลางวันเนี่ยนะนึกไม่ออกว่าอยู่ไงกันร้อนแย่ยเลยแต่ว่าจริงแล้วก็มันชั้นมันหนานะก็คงอยู่สบายแหละเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญเป็นปราศาสตร์ที่ทําให้ตาแล้วก็ที่อ่าสะโบกคารณีเรียกว่าธรรมมาโบกคารณีเนี่ยนะก็ที่อยู่ข้างหน้าธรรมะปราศาสตร โรรองก็สร้างให้สร้างสระน้ําเป็นชั้นดีสร้างธรรมปร า, าสาทสร้างสระบกกรณีเสร็จแล้วพระเจ้าสุทัศนะก็ให้เลี้ยงดูพวกสมณพราหมณ์ที่รู้กันว่าเป็นสมณะหรือพวกพราหม์ที่ยอมรับกันว่าเป็นพราหมณ์เราว่าทําบุญเลี้ยงสมณพราหมณ์ให้อิ่มน้ําสําราญด้วยของที่น่าชอบใจทุกชนิดเสร็จขึ้นสู่ปร า, าสาทอย่างนี้ในหน้า487ข้อหนึ่ง็ดที่บอกว่าอนอนลําดัชนั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะ ได้ทรงดำริอย่างนี้ว่านี้เป็นผลกรรมของอะไรของเราหนอนี้เป็นวิบากกรรมอะไรของเราหนอททำบุญอะไรมาเนี่ยคือทุกอย่างเมื่อสำเร็จดังใจหมดแล้วเนี่ยก็มาคิดว่าเราทำบุญทำกรรมอะไรมาที่เป็นเหตุให้เรามีฤทธิ์อย่างนี้มีอนุภาพอย่างนี้ในบัดนี้อานอน์ครั้งนั้นแลพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงมีพระดำริอย่างนี้ว่านี้เป็นผลของกรรมสามอย่าง ของเราเป็นวิบากของกรรมสามอย่างที่เป็นเหตุให้เรามีฤิษยาใหญ่อย่างนี้มีอนุภาพใหญ่อย่างนี้ในบัดนี้อันนี้เป็นวิบากแห่งทานเคยให้ทานเคยธรรมะนะธรรมะก็คือฝึกอินทรีย์แล้วก็สํารวมก็คือทานศีนั่นแหลก็เจริญทานศีนภาวนามาดีนั่นแหละอานนที่นั้นพระเจ้ามหาสุทัศนะเสด็จเข้าเรือนยอดหลังใหญ่ประทับยืนที่ประตูเรือนรถยอดหลังใหญ่ก็เปล่งอุทานว่า หยุดกามวิตกหยุดพยาบาทวิตกหยุดวิหิงสาวิตกเท่านี้ก็พอแล้วล่ะอกุศลวิตกเท่านี้ก็พอแล้วกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกหลังจากนั้นพระเจ้าสุทัศนะก็เข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่ได้โดยลำดับพระเจ้าสุทัศนะอยู่ด้วยเมตตาจิตที่สองหรคตไปด้วยเมตตานะครุณามุทิตาและอุเบกขาไปในทิศสี่ทิศคือพระเจ้าสุทัศนะได้กระสินด้วยพระเจ้าสุทัศนะได้ พรมวิหารสี่อย่างปร ะ, ประเสริฐด้วย